สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิชพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตรเยซูตอนที่สามร้อยสามสิบเจ็ดเรื่องพวกน้องๆของพระองค์ไม่ไว้วางใจในพระเยซูเพราะวจนะอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เก้านะครับพระธรรมยอห์นบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เก้าหลังจากนั้น พระเยซูก็ได้เสด็จไปตามที่ต่างๆในแคว้นกาลิลีไม่ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแคว้นยูเดียเพราะพวกยิวหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพลิงของพวกยิวแล้วพวกน้องๆของพระองค์จึงทูลพระองค์ว่าท่านจงออกจากที่นี่ไปยังแคว้นยูเดียเพื่อให้เหล่าสาวกของท่านได้เห็นกิจการที่ท่านกําลังทําอยู่เพราะว่าไม่มีผู้ใดแอบทําสิ่งใดเงียบๆ เมื่อผู้นั้นอยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านกระทำการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิดแม้พวกน้องน้องของพระองค์ก็มิได้วางใจในพระองค์พี่เยซูตรัสกับพวกเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกท่านมีอยู่เสมอโลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้แต่โลกเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้าย พวกท่านจงขึ้นไปในเทศการเถิดเราจะยังไม่ขึ้นไปในเทศกาลนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของเราเมื่อตัดเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ในแคว้นกะลิลีต่อไปข้อชนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่เจ็ดตอนนี้ชัดเจนมากครับว่ายอห์นนั้นได้บันทึกคำสนทนาของพระเยซูกับคนบางคน โดยพรอย่างยิ่งน้องของพระองค์ในตอนนี้และพระองค์ก็ยังตรัสถึงพระองค์เองอย่างชัดเจนสำหรับคนยิวที่กำลังหลอคอยพระเมสสิยาซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พระเยซูกำลังเตรียมเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงในข้อหนึ่งของพระธรรมยอห์นบทที่เก้าบทที่เจ็ดครับสรุปเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซูในกาลิลี หลังจากพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลยอนั้นไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดในช่วงสัปดาห์ที่ห้าถึงสัปดาห์ที่สิบแต่พระกิตติคุณเล่มอื่นนั้นได้กล่าวถึงครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มนะครับสามเล่มแรกเรียกว่าซินนอปติกก็คือกิตติคุณพ้องกันครับแลวก็เล่มที่สี่ก็คือยนอยนั้นก็เปิดเผยให้เห็นบทสนทนา นะครับบทเทศนาต่างๆเรามาดูต่อนะครับในข้อที่สองยอนบอกกับเราให้ทราบว่าใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของชาวยิวเทศกาลอยู่เพิงนั้นเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของชาวยิวไม่เพียงแต่แ ล, ะและลึกถึงตอนที่บรรพบุรุษของเขาร่อนแรงในถิ่นทุรกันดารหลังจากออกมาจากประเทศอียิปต์เพื่อมุ่งสู่ดินแดนขนาอันซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมด้วยเพราะฉะนั้นมีการเฉลิมฉลองสองอย่างนะครับลาลึกถึงประการแรกก็คือการที่คนยิวออกจากอียิปต์นะครับเข้าสู่แผ่นดินขนาอันร้อนแรงในถิ่นทุรกันดาร น, นะครับอันที่สองเทศกาลอยู่เพิงก็จะเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมแล้วพวกเขาก็ ถือรักษาการอยู่เพิงมาโดยตลอดจนกระทัง่งถึงทุกวันนี้เมื่อพี่น้องเดินทางไปที่อิสราเอลนะครับพี่น้องก็จะเจอในเดือนตุลาคมเทศกาลอยู่เพิงนะครับไม่ว่าครอบครัวจะอยู่ที่ไหนก็จะเฉลิมฉลองกันส่วนใหญ่ก็จะชอบมาที่เยรูซาเล็มครับนักลอดศาสตร์คนยิวในสมัยโบราณก็คือประมาณอยู่ที่หลังพระเยซูเล็กน้อยนะครับชื่อว่าโยเซฟัส โดยเซฟัสได้บันทึกและเรียกเทศกาลนี้ว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะกินเวลาฉลองถึงเจวันด้วยกันครับชาวยูที่เข็งขัดก็จะสร้างเพลิงโดยใช้กิ่งไม้และใบาปามและพักอาศัยอยู่ในเพิงเหล่านั้นตลอดทั้งสัปดาห์คนที่อยู่ที่บ้านก็จะสร้างเพลิงไว้ที่ดาดฟ้าหลังคาบ้านหรือในสวนอ่างนลเพิงก า, างเหล่านี้ครับเป็นสั ญ, ญลักษณ์ให้ล้ำลึกถึงสมัยบรรพบุรุษพักอาศัยอยู่ในเต็นท์ ในถิ่นทั่วกระดานหากพี่น้องอยากจะเห็นภาพนะครับพี่น้องไปดูที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับว่า t ท b บ r น a c l e นะครับเทเบซึ่งแปลว่าพับพลาหรือแปลว่าเต็นนะครับเราจะเห็นภาพของคนยิวนั้นได้อยู่เพิงหรืออยู่เต็นกันครับเราดูต่อนะครับในข้อนี้เราพบว่าน้องๆของพระเยซูมาทูนพระเยซูให้ออกจากกาลิลีไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อให้เหล่าสาวกเห็นกนารอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทำคำว่าเหล่าสาวกนี้ไม่ได้หมายความอารัฐทูต12คนนะครับหรืออารัฐสาวก12คนแต่หมายถึงสาวกทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในแคว้นยูเดียนะครับบางคนอ่านข้อนี้แล้วสรุปว่าน้องๆ้องของพระองค์ภูมิใจมากและอยากให้พี่ชายเป็นที่รู้จักดี หากน้องๆของพระองค์รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเยซูพวกเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นการยุส่งให้พระเยซูไปตายครับที่แคว้นยูเดียเหมือนกับส่งพระองค์เข้าคุกหรือส่งพระองค์ไปตายโดยที่ไม่รู้ว่าผู้นำศาสนายิวต้องการจะกลับจับกลุ่มพระเยซูคนเหล่านี้นะครับส่งสายสืบของเขาเนี่ยไปไกลถึงกาลิลีแล้วก็ซีซาริยาฟลิปปีเพื่อพยายามจับผิดพระเยซู <c oughs> ในข้อที่สี่นะครับเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าน้องๆของพระองค์นั้นไม่รู้จักพระองค์อย่างท่องแท้ไม่รู้ว่าพระองค์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครพวกเขาทูลถามพระเยซูว่าไม่มีผู้ใดแอบทําสิ่งใดเงียบๆ เ, เมื่อผู้นั้นอยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านกระทําเหล่านี้ก็จงสําแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิด เห็นไหมครับเขาก็พูดกับพระเยซูลและถามพระเยซูว่าถ้าท่านกระทาการเหล่านี้ก็สำแดงตัวสิพี่น้องครับพวกเขาอยากจะหาชื่อเสียงให้พระเยซูหรืออยากจะหาชื่อเสียงให้ตัวเองกันแน่พวกเขากําลังป ร, ประชดประชันพระเยซูหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาละอายใจที่พระเยซูทรงหลีกเลี่ยงที่จะไปแคว้นแกลิลีจากแกลิลีไปแคว้นยูเดียนะครับกลัวว่าจะถูกจับกลุ่มใช่หรือเปล่า เห็นหมครับพี่น้องครับนี่คือความไม่รู้จักพระเยซูแม้ว่าจะเป็นน้องนะครับสืบสายโลหิตเดียวกันออกมาจากคันของนางมารีเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันไม่รู้จักพระเยซูครับข้อที่ห้าครับในพระธรรมยอห์นบทที่เจ็ดข้อที่ให้เหตุผลนะครับว่าทําไมน้องๆของโปรงไม่เชื่อโปรงพวกเขาไม่ได้ยอมรับ ว, ว่าพระเยซูนั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ต่อเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วพวกเขาจึงยอมรับเรื่องนี้ฉะนั้นพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกท่านมีอยู่เสมอโลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้แต่โลกจะเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายพระเยซูบอกกับพวกเขาว่าพวกท่านจงขึ้นไปในเทศการเถิด เราจะยังไม่ขึ้นไปในเทศกาลนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาของเราพระเยซูตรัสถึงหลายสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเน้นนะครับเมื่อพระเยซูตรัสถึงคําว่ากําหนดเวลาของพระองค์พี่น้องทราบไหมครับพระองค์หมายถึงอะไรพระองค์ทรงหมายถึงเวลาที่พระองค์จะทรงถูกจับกุมครับถูกไต่สวนและถูกตึงบนไม้กางเขนหลายครั้งในพระเกเิกุลนะครับพระเยซูตรัสว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาของพระองค์ ครับมีความหมายว่ายังไม่เป็นเวลาที่พระเยซูจะสิ้นพระชนครับก็มีใ น, นพระคัมีร์ย้อนบทที่สิบเจดข้อที่หนึ่งพระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาพระเยซูตรัสว่าโอ้พระบิดาถึงเวลาแล้วพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้นยังย้อนบทที่เจดนั้นจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อถึงยอ้อนบทที่สิบเจ็ดนี้พระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาว่าโอ้พระบิดา ถึงเวลาแล้วพี่น้องครับเมื่อพระเยซูตรัสว่าน้องๆของพระองค์มีเวลาเสมอพระองค์หมายถึงเวลาที่น้องๆเหล่านั้นควรจะเชื่อพระเยซูปรารถนาอย่างยิ่งนะครับที่ให้น้องๆของพระองค์เชื่อถือในพระองค์เพราะว่าผู้ใจที่เชื่อถือในพระองค์ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ตามคนเหล่านี้จะรับความรอดครับฉะนั้นพระองค์จึงบอกให้พวกน้องๆล่วงหน้าไปก่อน ร่วมกับครอบครัวอื่นเดินทางไปเป็นกองคารวานจากแคว้นกาลิลีไปยังแคว้นยูเดียเพื่อร่วมเทศกาลอันสำคัญนี้พี่น้องครับดองของพระเยซูไม่รู้จักระเยซูแม้ว่าใกล้ชิดกันนะครับเป็นสิบปีหลายสิบปีทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ โยเซฟมารีเองก็ยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูจริงๆแล้วพระองค์มาเพื่อสิ้นพชนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าเป็นเวลาของพระองค์แผนการการช่วยให้รอดการกู้โลกให้รอดอยู่ที่การสิ้นพชนของพระเยซูครับจากบทเรียนในวันนี้ ทำให้เรารู้ว่าการเป็นพี่น้องอาจจะไม่ช่วยในการรู้จักกันและกันแต่การเปิดใจการเข้าใจน้ำมัรไทยของพระเจ้าจะทำให้พี่น้องใกล้ชิดกันและรู้จักกันอย่างแท้จริงขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกคนนะครับที่จะได้รับการทรงนำของพระองค์หากเรามีพี่น้อง ทางฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายร่างกายเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดพระกิจคุณและเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพระเจ้าเหมือนกันเพื่อที่จะพูดจากันรู้เรื่องและเป็นพระพรให้แก่กันและกันอาเมน